มันก็มองเห็นคุณแห่งพระธรรมโอ้พระธรรมนี่มีคุณต่อเรานักหนาช่วยเรื่องทุกข์ออกจา ก, กจิตใจนี่ได้มากมายเมื่อเห็นคุณแห่งพระธรรมแล้วก็ไม่มีเบื่อหน่ายเลยเหมือนอย่างเราเห็นคุณของข้าวของอาหารเนี่ยถ้าร่างกายธาตุขันอันนี้มันยัง ดูดอาหารอยู่มันไม่เบื่อเลยนั่นเลย <c oughs> ถึงเวลาแล้วมันก็รับประทานได้ไม่มีเบื่อเลยต่อเมื่อใดธาตุร่างกายอันนี้มันหมดเขตของมันแล้วหมดอายุของมันแล้วมันไม่รับย่อยอาหารแล้วเมื่อนั้นนหละมันยิงเบื่อเบื่ออาหารบบบนี้ <c oughs> ใจของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> ในเมื่อยังมองเห็นเหตุผลของธรรมะคำสอนของผู้เผยเจ้าอยู่แม้จะของเก่าเล่าตั้งร้อยครั้งมันก็ยังมีรสชาติอร่อยอยู่พูดกันมาเวลาใดมันก็ยังทราบซึ้งเพราะว่าสัจธรรมธรรมของกิงเนี่ย มันไม่มีเลื่อนรางเป็นอย่างอื่นไปมันยืนหยัดอยู่ในตัวเลยหมายถึงความจริงความจริงนั่นไม่มีเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนไปแต่เรื่องไม่จริงเท่านั้นแหละอยากให้พากันเข้าใจเราปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เราก็มุ่งเพื่อให้พระธรรมนี่นะจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์นั่นออกจา ก, กจิตใจโดยตรงเลยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของธรร ม, มะมันก็อยู่ตรงนี้เองท่านก็ยังเปรียบไว้ธรร ม, มะนี่เหมือนกับโอสถขนานเอก สำหรับบำบัดโรคในกายของคนเราอันยานั้นเมื่อบุคคลรับประทานเข้าไปแล้วมันก็ไปทำหน้าที่กรรมจัดกิเลสให้เหือดหายไปเมื่อกิเลสนั้นมันหมดไปธรรมะนั้นก็หมดไปตามกันบบนี้ ผลมันเป็นยังไงผลมันก็คือความสบายกายโรคภัยมันหายอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อธรรมะมันเข้าไปขจัดกิเลสป่าประธรรมออกไปจากกิจใจแล้วธรรมะเหล่านั้นก็ดับไปกิเลสก็ดับไปอันนี้ก็ยังเหลือแต่ความบริสุทธิ์ของจิตนั่นจิตก็ได้รับความสบายปลอดโปร่งไม่นักน่วง มันก็เป็นอย่างนี้แหละคุณคุณภาพของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อผู้ใดมาเข้าใจอย่างนี้นะมั น, ม, นมันไม่เบื่อเลยมีแต่ความอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาถ้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปแล้วมันเบื่อแล้วแล้วบางคนก็ ทำไม่จริงทำนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเมื่อมันไม่ได้ผลเราก็เบื่อแบบนี้นะอันอย่างนั้น แ, แน่นอนและมันเบือ่อเหมือนอย่างทำการงานภายนอกนี่แหละทำแปะแปะบางบางไปแล้วแบบนี้มันผลต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นให้ ก็เลยเบื่อหน่ายการงานนั้นแล้วคนนิสัยมักง่ายทำอะไรอยากให้ได้ผลเร็วๆนั่นถ้ามันไม่ได้ผลเร็วๆแล้วก็เบื่อเลยการงานอันนั้นอย่าไปจับงานอื่นท่านจับไปก็ทำไปพอขอไปทีเมื่อไม่เห็นผลแล้วก็เบือ่อนี่แหละคนจนอยู่ในโลกอันนี้มันมีกิริยาอาการอย่างนี้แหละ กิริยาของจิตใจเป็นอย่างนี้เลอะแหละเหลวไหลเพราะฉะนั้นถึงได้เป็นคนจนนะออคนที่เขาร่ำรวยมั่งมีนั่นเขาจิตใจเขาหนักแน่นหนักเอาเบาสู้กับผลทนแดด งานอะไรมันยากเมื่อทำสาเร็จแล้วมันก็มีผลมากมเป็นย่งั้นงานอะไรทำง่ายๆอย่างนี้ถึงทำไปเสร็จไปแล้วมันก็มีผลนิดหน่อยเหมือนยังปลูกไม้ล้มลุกอย่างนี้แหละเวลาปลูก ง, ง่ายได้เพราะมันต้นเล็ ก, ป ล, กปลูกใกล้ๆ ก, กันมันก็ขึ้นได้ ไม่ต้องใช้เนื้อที่ดินอะไรมากมายมันก็ขึ้นได้ภายในเดือนสองเดือนก็เก็บมรระทานได้แล้วแต่แล้วหนอหนึ่งก็วายไปแล้วหมดไปแล้วฮ่าหาว่าปลูกมายืนต้นที่มีผลอย่างนี้นะต้องทนุถนอมต้องรักษาให้ดีดูแลทั้งปุ๋ยทั้งน้ำ ทั้งศัตรูพืชเมื่อมันขึ้นงอกงามขึ้นเต็มที่ถึงการเวลาผลิดอกออกผลแลว้วนี่มันก็ผลิดอกออกผลให้เรื่อยไปตามฤดูกันยืนไปออ ไปถึงสี่สิบปีห้าสิบปีนนทนก็มีนี่แหละข้อเปรียบเทียบอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นการทำความดีการสั่งสมบุญกุศลหรือว่าการละกิเลสตัณหาหม่นี่กิเลสอันไม่สำคัญเท่าไรนั้นอ้าวก็ละมันก็ง่ายจะนี่ไปเจอกิเลสที่สำคัญเข้าอย่างนี้ ถ้าไม่ออกแรงจริงๆมันก็จะไม่ถอนอกอกจากจิตใจเนี่อเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะมันจึงจำเป็นต้องอดต้องทน <c oughs> หาเพียรพยายามสะกดจิตใจไว้ภายในก่อนอื่นคนเรานี่ถ้ า, าว่าไม่มันสะกดจิต ตัวเองบ่อยๆแล้วก็เป็นคนใจลอยเมื่อใจลอยแล้วนี้ทำความดีอะไรก็ไม่เจริญไปได้ลองสังเกต ด, ดูดังนั้นการที่มันสะกดจิตตัวเองไว้ไม่ให้มันไปรู้อำนาจกับกิเลสหยามๆยาบต่าง ๆ, งๆหมนี่มันเป็นหน้าที่ของคนผู้มีกิเลสทั้งหมดนั่นเนี่ย ที่จะต้องฝึกจิตใจให้เข้มแข็งให้กล้าหาร <c oughs> กล้าบังคับตัวเองให้ได้นี่สำคัญนะแต่คนส่วนมากเลยมันบังคับจิตตัวเองไม่ได้เมื่อให้โกรธมันก็โกรธอย่างนี้นะไม่ให้โลภมันก็โลภ ไม่ให้หลงให้เมามันก็หลงก็เมาไปในทางเสื่อมทางเสียนี่แหละคนส่วนมากที่มันไปทำความดีไม่ได้นั่นนะมูลไปหาทางชั่วเพราะบังคับจิตตัวเองไม่ได้เลยดางนั้นผู้เรื่มใสในพระธรรมคำสอนของพระตัวเจ้าแล้วต้องรู้จักบังคับจิตตัวเองให้ได้ สะกดจิตอันที่มันเลื่อนลอยพุ่งซ่านให้มันตั้งมั่นลงภายในนั่นอันนี้สำคัญมากที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าอินทรียบารมีของตนยังไม่แก่กล้า เราจะไปทําแบบสบายๆเหมือนอย่างท่านผู้มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าแล้วนั่นมันไม่ได้อันนั้นเพื่อนมันเอาทุกเป็นทุนสู้กับมานกับกีเลตันหามาหลายชาติหลายพบมานานนะทำความดีมามากมายเพื่อนมันก็ง่ายขึ้นสิวะนี้นะไอ้ผู้ที่ ทำยังไม่ง่ายนี่มันก็เนื่องมาแต่นี้แหละอินทรียบารมียังไม่แก่กล้าพอต้องให้เข้าใจอันนี้อินทรียบารมีมันจะแก่กล้าได้กับมันอยู่ที่ใจใจเรากล้าหารใจเข้มแข็งสู้กับกิเลสทามาลต่างๆได้ไม่ท้อถอยไม่ปล่อยให้กิเลสมันจูงใจให้ไปทําความชั่วต่างๆนี่นะ นี่ะมันจะทำให้อินทรีย์บรารมีแก่กล้าขึ้นได้ <c oughs> ต้องให้เข้าใจ <c oughs> เราจะทำอะไรอ่อนแอทอดแ่ไปแล้วจะให้อินทรีย์บรารมีมันแก่กล้าไปนะมันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> เป็นไม่ได้ <c oughs> ให้เข้าใจ <c oughs> บุญบารมีทั้งหลายมันย่อม เกิดขึ้นจากการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆให้รู้ล่วงไปได้แต่ละอย่างละอย่างนั่นะเมื่อเราฝ่าฟันอุปสรรคภายในจิตใจนี่ได้แล้วจิตใจปลอดโปรง่งเบิกบานขึ้นมาแล้ว น, นั่นแหละนั่นละบุญกุศลเกิดขึ้นในใจถ้าหากว่าใจนั้นยังมัวหมองยังอึดอัดยังขับแค้นอยู่ ยังรู้สึกว่าไม่เป็นปกติเลยอย่างนี้นะนั่นชื่อว่าบุญกุศลยังไม่เกิดขึ้นในใจอย่าไปนิ่งนอนใจถ้าหากว่าใจผู้ใดเป็นอย่างนั้นนะต้องค้นหาหมูลเหตุของมันจิตมันต้องไปยึดถือเรื่องไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งแหละไว้ภายในนั่นนะต้องเพ่งดู เมื่อเพ่งดูเห็นว่าออใจมันยึดถือเรื่องไม่ดีเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็กาหนดละมันสู้มันไม่ท้อถอย <c oughs> <c oughs> กาหนดสู้มันละมันอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะดับไปจากกิจใจถ้ามันยังไม่ดับไปตราบใดเราก็ไม่ถอย ก็ต้องเพ่งพินิตทิจารณาอยู่อย่างนั้นเพ่งให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายกิเลสความชั่วต่างๆนั้นอันหมักผมอยู่ในจิตใจนั่นน่ะนี่แหละการละบาบบำเพ็ญบุญน่ะให้เข้าใจอันบาปนั่นน่ะมันมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นเลยแตอย่งงางหยา มันลงไม้ลงมือทําลงไปอฆ่าเขาตีเขาอะไรอยูนี่นะนั่นเรียก ว, ว่าบาปอย่างหาบทีนี่บาปอย่างกลางอย่างละเอียดนี่มันเป็นแต่ความคิดความรู้สึกหรือคิดในใจไม่ถึงกับลงไม้ลงมือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่มันมันต้องให้รู้จักอย่างนั้น เมื่อทุกคนที่สูตรตัวเองได้ว่าบาปกรรมอันหยาบท้าลามุกดังกล่าวมานั่นเน่ยเราละมันแล้วนี่ก็ต้องให้รู้อันบาปกรรมอย่างกลางนี่มันก็ทำใจให้มัวหมองได้เหมือนกันเช่นความคิดรักของสิ่งนั้นสิ่งนี้ความคิดเกลียดชั้ง คนผู้นั้นผู้นี้อะไรต่างๆหมูนี้นะแต่ว่าเกลียดชังเฉยๆแต่ไม่ไม่ไม่คิดที่จะไปอทำลายร่างกายของเขาแต่เพียงแต่นึกคิดเกลียดชังอยู่ในใจเฉยๆนี่ อ, อย่างนี้มันก็ทําให้ใจมัวหมองได้เหมือนกันคําว่าปาฟังแปลว่าอารมณ์ที่ทําใจให้มัวหมองนี่ คำว่าบาปนี่นะไม่ใช่หมายเอาอยัางอื่นมันไม่มีตัวไม่มีรูปร่างอะไรดูที่ใจนั่นแหละถ้าใจ ม, มันมัวหมองแล้วนั่นละบาปบาปมันครอบงาเอาเช่นนั้นเมื่อเราค้นพบมูลเหตุของมันแล้วใจมันยึดเรื่องชั่วเรื่องนั้นไวเราพยายามละเรื่องชั่วเหล่านั้นให้มันออกจากกิจใจเสียแล้ว ใจก็เบิกบานผ่องแผ้วขึ้นมาใจก็สงบตั้งมั่นนี่ได้ชื่อว่าเหตุกับผลนะเหตุนี่ได้แก่การต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเอาทุกเป็นทุนสู้ไม่ถอย เมื่อกิเลสมันหายหน้าไปแล้ววันนี้ความสบายมันก็เกิดขึ้นในใจอันนั้นเป็นผลถ้าใครปล่อยให้กิเลสมันหมักหมมอยู่ในใจนั้นมันก็ไม่ได้ได้ับความสบายสบายก็ไปสบายไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเอ่เมื่อกิเลสมันยังนอนนิ่งอยู่ลงไปอ่ะมันก็สบายไปอันพอมันมีเหตุอะไรมันกระทบเรากิเลสมันฟูขึ้นมันลุกขึ้นมา เพราะงามจิตเมื่อใดเมื่อนั้นแล้ววะเนี้ยจิตก็เดือดร้อนกันขึ้นมาจิตก็เศร้ามองไปมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันดังนั้นอ่ะก็มันก็ดีอย่างหนึ่งถ้ากิเลสมันไม่ฟูขึ้นมาก็จะไม่รู้ไม่รู้หน้าตาของกิเลสแล้วก็จะไม่ไล่ละมันสำหรับผู้ที่มีความเพียร ความอดกั้นทนทานแล้วเอาเกิดมาก็เกิดกิเลสนี่เกิดมาแล้วเห็นหน้าตาของมันแล้วเอาทำลายมันแบบ น, นี้นะจะไม่ปล่อยไม่ยอมปล่อยให้มันครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นอันที่มันไม่เห็นหน้าตาของกิเลสนั่นแหละมันซ่อนตัวอยู่เนี่ยสําคัญนะบางคนก็เลยสําคัญว่าตนไม่มีกิเลส หัดเวลามันกิเลสมันลุกฮือขึ้นมาเป็นหน้ายักษ์หน้ามารไปเลยแบบนี้นะแต่ก่อนเป็นหน้าพระอันต่อมาก็เป็นหน้ามารแลยหน้ายักษ์อ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วนี่นะมันทำใจให้ปวนปั่นวันไหวหาความสงบสุขสบายสม่าเสมอไปได้ยากเลย ดังนั้นทุกคนอย่าให้อย่ายอมให้กิเลสมันมาครอบงําย่ํายีจิตใจตัวเองให้มัวหมองให้วุ่นวายเดือดร้อนต่างๆหมู่นี้นะก็เมื่อเราจับต้นเหตุได้แล้วเราละเหตุอันนั้นมันดังงับไปแล้วมันก็เลี้วไปกิเลสประเภทนั้นนะชุดนั้นนะว่านั้นไปมันก็เลี้วไปถ้าเผลอๆแล้วมันไปหลงสร้างเหตุ แห่งกิเลสขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอ้าวมันก็ก็ต้องปราบกันอีกอมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันหมดกิเลสแล้วอย่างนี้มันก็ไม่มีกิเลสมันก็ไม่ได้ลุกมาครอบงําจิตให้ได้ปราบมันให้ได้เพียนละมันแะไรแบบนี้นะเราละมันไปจนหมดแล้วไม่มีอันจะละแล้วมันก็มันก็ไม่มีอะไรอืไม่มีใครมาเป็นศัตรูแล้วแบบนี้นะ ศัตรูของขิดใจไม่มีในโลกอันนี้นั่นนะการปฏิบัติธรรมนี่ก็ให้มุ่งอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปทำไปแล้วขอให้มันสบายสบายไปไม่ต้องมีเหตุอะไรยุ่งยากไม่ต้องคิดแก้ไขอะไรจึงจะชื่อว่าตนปฏิบัติทำไปโดยถูกทางจึงจะได้รับความสุข อันนั้นเข้าใจผิดนะเข้าใจอย่างนั้นนะ <c oughs> อันความสุขที่แท้จริงเนะี่ยมันก็มันก็แทรกแซงอยู่กับทุกข์ทีนี้นเมื่อเราระงับทุกข์นั่นได้สุขอันแท้จริงก็โผล่ขึ้นมาถ้าระงับทุกข์อันนั้นไม่ได้สุขที่แท้จริงก็ไม่ปรากฏในใจ ลองสันนิษฐานดูเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> เรื่องนั้นน่ะถ้าจะว่าอย่างหนึ่งแล้วกิเลสตัณหานี่มันคล้ายๆกับว่ามันมัดตักเตือนหรือสนับสนุนให้เราทำความเพียรขจัดมันออกไปแล้วเราจะได้ถึงซึ่งความสุขอันเป็นแก่นสารที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพาน ถ้าไม่มีกิเลสมารบ ก, กวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้เราก็ไม่ได้เสวงหาทางในความสุขอันสูงกว่านี้ลองคิดดูสิถ้าหากว่าอยู่ไปสบายสบา ย, บายไม่มีกิเลสไม่มีเหตุอะไรมากระทบกระทั่งเลยอย่างนี้นะอเราก็สบายไปเรื่อยๆ อ, อย่างนี้มันก็เป็นนิพพานซะเลย เพราะว่ามันไม่มีทุกข์ไม่มีเดือดร้อนอะไรนี่แต่มันแต่กฎธรรมดามันไม่มันมันไม่ยกให้หรอกมันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันนี่โลกอันนี้เขาเรียกว่าโลกคู่ไม่ใช่โลกขี้มันมีดีกับมีชั่วเป็นคู่กันมีสุขกับมีทุกข์เป็นคู่กันมีเกิดกับมีตายเป็นคู่กัน อย่างนี้แหละเหตุนั้นจึงว่าโลกนี้โลกคู่นั่นแหละมีร้อนกับมีเย็นเป็นคู่กันมีมืดกับมีสว่างเป็นคู่กันเมื่อมันมันเป็นคู่อย่างนี้มันก็ต้องกระทบกระทั่งกันซี่แบบ น, นี้นั่นแหละต้องให้เข้าใจอา้าเมื่อพระอาทิตย์ลับไปแล้วอย่างนี้ ความมืดมันก็เข้ามาปกคลุมโลกอันนี้เลยมันก็มืดกันเอา้าหมู่มนุษย์ที่มีปัญญามันก็ต้องหาแสงสว่างมาขจัดความมืดนั้นออกไปทําให้มองเห็นอะไรต่ออะไรได้นี่แหละอันนี้การแสวงหาแสงสว่างนั้นไม่ใช่ของง่ายๆฮะต้องคิดค้นกันเอาอย่างไฟฟ้าอย่างนี้นะเขาก็ต้องคิดค้นกันอย่างเต็มที่เลย กวัวจะได้ไฟฟ้ามากระจัดความมืดในเวลาค่ำคืนเดือนมืดออกให้สว่างไปได้ฮนะคนเกียดคร้านแล้วไม่มีทางนะมันจะค้นพบแสงสว่างมูเนี่ยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละถ้าคนเกียดคร้านแล้วอย่างนี้อันมันจะมาหาอุบายขจัดความมืดของจิตใจนี่ออกไปไม่มีทางนะ ใจมืดใจบอดอยู่นั่นเลยฟังธรรมะก็ฟังสักแต่ว่าฟังไปเฉยไม่รู้ความหมายเออหนึ่งอันนี้จริงนะบางคนไม่รู้ความหมายจริงๆไม่ทราบว่าจะทำยังไงก็ความหมายที่แท้จริงพระองค์สแสดงอริยสัจสี่ไว้นั่น ก็ทรงแสดงทุกขาริยสัตว์นี้ขึ้นก่อนเลยนะแสดงว่าทรงสอนเพื่อให้คนนี้รู้จากทุกขก่อนอื่นทั้งหมดอืนี่แหละความหมายเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชพระองค์ก็ปาราบรบทุมทุกข์ของชีวิตเป็นมูลเหตุให้พระองค์ได้เสด็จออกบวชได้สละทุกสิ่งทุกอย่าง ออกไปบวชเนี่ยลองคิดดูนะเนี่ยถ้าหากว่าพระองค์มองไม่เห็นความทุกข์ในชีวิตหรือในโลกอันนี้พระองค์จะไม่เสด็จออกบวชเลย อ, รอนนพระองค์ก็จะต้องลื่นหลังบันเทิงอยู่ในกามคุณในพระราชสวังนั่นเละแต่นี่พระองค์เห็นว่ากามคุณทั้งหลายเหล่านั้น่ะมันเหมือนกับยาพิษเคลือบน้ําตาลเนี่ย อมเข้าไปในปากทีแรกมันก็หวานแลยน้ําตาลมันละลายออกไปสู่ลิ้นนะแต่พอกลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ําตาลละลายออกจากยาพิษยาพิษละลายออกไปสู่ร่างกายสู่กระเพาะลําไส้มันก็ไปทําพิษแล้วแบบนี้นะกัดกระเพาะลําไส้เจ็บปวดทุกขเวทนาไป อ, อบางรายก็ถึงลมถึงตายไปเลย อันนี้ชั้นรายการมาคุณทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับยาพิษเคลือบน้ําตาล น, นั่นเองขึ้นต้นก็หวานอร่อยอย่างว่านั้นเองท่ันลงตอนปลายแล้วก็ขมคืนเต็มทีอันนี้ไม่จําเป็นต้องอธิบายให้มากหรอกมันมีอยู่มันเป็นอยู่เห็นกันอยู่เสมอเสมอแล้วเพียงแต่มาเตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายนะได้ตื่นตัวออ เพราะชีวิตนี่มันแวดล้อมอยู่ด้วยความทุกข์นานาประการแต่เมื่อคนหลงคนเมาแล้วมันัไม่มองเห็นทุกข์เมื่อไม่มองเห็นทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโรกสงสารอันนี้เบื่อหน่ายต่อไม่เบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ เ, เมื่อไม่เบื่อหน่ายก็ไม่แสวงหาทางเพื่อให้พ้นไปจากความแก่เจ็บตายอันนี้ต่อไป กมัวแต่ล่าเริงบันเทิงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆทางบุญทางกุศลไม่คิดที่จะก่อสร้างเลยนึกว่าตนนั้นมีความสุขพอแล้วนี่บมดเวลากามทั้งหลายมันทำพิษเอานีก็เอาแล้วเดือดร้อนกันไม่มีที่สิ้นสุดลงได้ แล้วอย่างนี้นะจะว่าไงล่ะที่นี่มันนะเพราะฉะนั้นความหมายแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องรู้กันทุกคนนะต้องรู้ถ้าไม่รู้ความหมายอย่างนี้นับถือไปมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยถ้าจะเป็นทุกที่ไหนเราก็อยู่สบายอยู่ทุกวันนี่กินก็ได้นอนก็หลับอยู่นี้มันจะเป็นทุกที่ไหนเพราะว่านั่นเลย พะมีความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็เฉยแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ว่าให้รู้แจ้งในทุกตามเป็นจริงให้กำหนดละสัมมุทยัยคือตัณหานั่นอมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเสีย ก็เมื่อมันไม่เห็นทุกข์แล้วมันจะไปละตัณหาทําไมอ่ะเพราะตัณหานี่มันก็โ่วยวนชวนให้คนเป็นสุขได้เหมือนกันนะล่าเริงบันเทิงใจได้เหมือนกันตัณหาเนี่ยนั่นแหละมันเป็นตัณหานี่มันหลอกล่อจิตใจให้ติดอยู่ในทุกข์เป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อบุคคลมาเห็นทุกข์อันเป็นผลของตัณหาเนี่ย แล้วอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายในตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาอุปาทานมีแล้วมันก็ทำนาจิตวิญญานี่มาเกิดอาศัยรูปกายอันนี้ขึ้นมาเนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตมาอาศัยรูปกายอันนี้อยู่แล้วก็เป็นทุกข์กับความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้เนี่ยความจริงก็เป็นอย่างนี้นี่ เราจะเอาความสุขตรงไหนเพราะร่างกายนี่มันไม่เที่ยงต้องหาเลี้ยงมันอยู่เนี่ยมันยังพอประทังอยู่ได้ถ้าลองไม่บำรุงด้วยอาหารการบริโภคต่างๆเข้าไปดูสิเนี่ยไอ้รูปนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้เลยมันก็เหี่ยวแห้งไปเท่านั้นเองอที่มันพอประทังอยู่ได้เนี่ยเพราะว่ามัน ปรุงแต่งอาหารหล่อเลี้ยงมันไว้เฉยๆเลี้ยงมันนะแต่ว่าผลสุดท้ายอาหารมันก็ไม่ไม่ไ ม, มีรสแล้ววะนี้เมื่อมันหมดเขตของมันแล้วเอาอาหารดีๆอย่างไรให้รับประทานก็รับประทานไม่ได้ไม่มีรสเลยนี่นะความจริงของร่างกายอันนี้มันก็มีแค่นี้แหละดังนั้นน่ะเราจะไป ลังลังรอๆ อ, อยู่ทำไมอ่ะพิจารณาเข้าให้เห็นความทุกข์ในชีวิตอันนี้ให้ได้ไม่ว่าคนไวัยไหนถ้ามีปัญญามีบุญวาสนาแล้วมันเห็นทุกข์ได้ทั้งนั้นเลยเหมือนอย่างเรื่องของบันดิตะสามเณรเนี่ยนะ เพื่อนสร้างบุญกุศลมาแต่อดีตชาติทนหลังนั้มากเพียงอายุได้เจ็ดขวบก็อยากบวชแล้วปลาลกกับมารดาบิดาแล้วมารดาบิดาก็ไม่ขาดก็พาไปวัดไปมอบถวายให้ธรรวสารีบุตรเทรดเจ้านั้นบวชให้สั่งสอนเอา แล้ววันหนึ่งอุ้มบาทตามหลังอุปชาไปตามทางไปเห็นเขาไขน้ําเข้าใส่นาก็ถามอุปชาว่านี่เขาทำอะไรกันอุปชาก็บอกว่านี่เขาไขน้าเข้าใส่นาน้า น, นี่มันมีจิตหรือไม่น้ํานี่ไม่มีจิตหรอกเน้น น้ำนี่ไม่มีจิตเขายังเปิดยังไขเอาไปใส่นาใส่สวนได้ตามต้องการแต่คนเรามีจิตแท้ๆเราฝึกจิตนี้ให้เที่ยงตรงไม่ได้เหล อ, เ, อเดินไปเดินไปพอไปเห็นเขาดัด ลูกธนูเอาเอาลูกธนูลนไฟแล้วมันหลวตาเดียวดัดอยู่ก็ถาม่า น, นี่เขาทำอะไรกันอ๋อนี่เขาดัดลูกธนูที่คดให้มันตรงเอาลูกธนูนี่มีจิตหรือเปล่าไม่มีไม่มีจิตแล้วลูกธนูสามเณรก็ดำลีในใจว่ า, าลูกธนูเนี่ยไม่มีจิตเขายังดัดให้มันตรงได้ ท น, นคนเรานี่มีจิตใจแท้แท้จึงมาเยาบมัดัดให้ตรงไม่ได้แล้วจิตเนี่ยออไปไปไปเห็นเขาถากไม้อยู่วะนี่ถามอุปชาว่าเขาทําอะไรกันไม้นี่มีจิตหรือไม่ไม่มีจิตเนียน้ยก็ดํำรีเหมือนเดิมนั่นแหละไม้ไม้นี่ไม่มีจิต แต่เขายังถากให้มันตรงได้คนเราี่มีจิตแท้ๆทำไมยังจะฝึกให้ตรงไม่ได้เราพอไปถึงตรงนั้นแล้วก็คิดอยากกลับที่พักจะไปรีบฝึกกิตให้ตรงก็เอาบาตรถวายอุปชาอุปชาก็สั่งเสียแล้วเน่งก็เดินกลับไปถึงวัดก็เข้าไปในวิหารปิดประตูโรงกรอนอะไรนี้ก็เข้าไป กราบแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปเพื่อจะดัดจิตนี้ให้มันตรงเหมือนยังเขาดัดลูกหน้าธนูนั่นเลยอันทำความเพียรไปมาก็ได้บรรลุโสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลไปไปไปก็ได้บรรลุสกาาิทาคามีมัติมีผลไป บำเพ็ญไปสำเร็จอนาคามีผลไปยังเหลือแต่อรหัตตผลก็พอดีธรามสาริบุตรท่านบินทบาทกลับมาในขณะนั้นปุญญาณุภาพของสามเณรก็ไปต้องข่ายพายานของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ทรงดำรีว่าถ้าเราไม่ไปรักษาประตูอยู่นี่สาริบุตรมาถึงเข้าก็จะมาเรียกเน้น เน้นก็จะไม่ได้บรรลุอรหัตผลพระองค์รู้อย่างนี้เราจึงได้เสด็จลงจากพระคณะคุดีแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูนั้นถ้าพระสารีบุตรมาถึงเข้าพระองค์ก็ทรงตั้งปัญหาถามสารีบุตรไปไหนมาข้าพระองค์ไปบินทบาตมาบินธบาตเพื่ออะไร เพื่อเวทนาเวทนาเพื่ออะไรเพื่อสุขเวทนาว่าะั้นเท่านั้นแหละสามเณรก็สําเร็จอรหันเลยเพระองค์รู้ว่าสามเณรสำเร็จอรหันแล้วก็จึงบอกว่าเอาแหละ ว, วันนี้จงเคาะประตูให้สามเณรเปิดประตูเอาซะพระองค์ก็เสด็จกลับไปพระกันทักุดูดีตามเดิม ธร้ารมปาลิบุตรก็ไปเคาะประตูสมเณรก็ลุกมาเปิดเอาแล้วธรามปาลิบุตรก็เอาอาหารที่บินทบาทได้มานะให้สมเณรฉันนี้นั่นสมเเณนเมื่อสำเร็จอราหันแล้วก็โอ๊ยกรรเข้าว่าเหมือนกับเกิดใหม่นั่นแหละเรียกว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากไปเลย ความเกิดอีกไม่มีแล้วในชาติต่อไปนี่นี่เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายทุกท่านที่สำเร็จอราหาันแล้วก็ย่อมดำริอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยมันรู้นี่เมื่อความรู้จริงบังเกิดขึ้นแล้วรู้ชัดไดเลยรู้เรื่องของตัวเองได้เจีมแจ้งเลยเป็นไงน นี่แหละจะไปว่าตั้งแต่ผู้ใหญ่เลยจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติธรรมอันนี้ได้แม้แต่ผู้เล็กผู้น้อยแต่ในตำราท่างกล่าวไว้ว่าถ้าอายุยังไม่ถึ ง, ง, ถงเจ็ดขวบจะบำเพ็ญภาวนายัางไงยังไงก็สำเร็จอรหั ต, ตผลไม่ได้เพราะว่ามันมันมีกฎธรรมดาอยู่อย่างนั้น เรียกว่ามันมันอ่อนเกินไปนั่นแหลปะป่ะถ้าอายุได้ถึงเจ็ดขวบแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุอรหัตผลได้มันเป็นอย่างั้นเพราะฉะนั้นน่ะ <c oughs> ก็อย่าไปถือว่าเรายังเล็กยังน้อยอยู่แล้วเราก็ไม่สมควรที่จะมารู้แจ้งในธรรมของจริงอะไรหมู่นี้ ทำตนไม่รู้ไม่คิดอะไรว่าถือว่าตนยังเด็กยังเล็กอยู่ไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้นะไม่ถูกต้องเลยจะต้องเห็นตามอย่างบัณฑิตะสามเณรนั่นแหละเป็นบันดิตะสามเณรท่านเพ่งจิตท่นเป็นสําคัญะ่ะจิต ด, ดวงนี้แหละถ้าฝึกให้ดีแล้วก็เป็นสุขพ้นทุกข์ได้ กิจตรงนี้นะถ้าฝึกไม่ดีแล้วก็มีแต่ทุกข์ท่านก็รู้อย่างนี้นี่ดังนั้นท่านจึงรีบฝึกกิตใจในี้เข้าไปก็จึงได้บรรลุอรหัตผลตามความมุ่งหมายที่ได้สร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารไม่ว่าใครๆแลยชาวพุทธทั้งหลายนี่ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ซึ่งมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกท่านผู้มีอินทร์บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถที่จะบรรลุอรหัตตผลในชาตินั่นได้การกระทำบุญกุศลทำความเพียรอะไรก็มุ่งหวังว่าให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ไดบ้บรรลุอรหัตตผลอันเป็นเรื่องสุดท้ายเลยเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นนะชีวิตอันนี้นะถ้าหากว่าบุคคลผู้สร้างบุญบารมียังไม่เต็มแล้วก็จะต้องล่องลอยเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้เลื่อยไปดังนั้นผู้ใครในธรรมทั้งหลายนะ่ะควรจะพิจารณาดูว่าในการที่เรามาเล่รล่อน เกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้นะ่ะมันสมควรหรือไม่อืมมันมันมีความสุขกีรังยั่งยืนหรือไม่เนี่ยมันเป็นนาทีของเราทุกคนที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเราจะต้องมาพิจารณาถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้อืก็ไม่มีใครจะช่วยเราได้นะ อันถ้าตนเองไม่ช่วยตัวเองไม่ถามตัวเองให้เห็นแจ้งในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุก์อย่างว่านั่นแล้วมันก็ไม่ขมัาขม้นทำความเพียรเพื่อสั่งสมบุญบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับบุคคลผู้ขมัาขม้น สั่งสมบุญกุศลทำความเพียรละกิเลสอย่างขามักขมันนั่นนะก็เพราเห็นทุกข์นี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดทุกข์นี่แหละมันบังคับให้คนเราสร้างบุญบา ร, รมีเอสำหรับคนผู้มีปัญญามีสตินะเมื่อตนได้ประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรมาแล้วมันก็มาลำพึงถึงตัวเองเ อ, อที่ตนได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ า, วา ตนนั้นบุญมันน้อยถ้าหากว่าคนมีบุญมากนี่มันจะไม่ค่อยได้ประสบกับความทุกข์เท่าไหร่นักนอกจากได้ประสบกับความสุขนั้นมากกว่าความทุกข์ผู้ใดามาดำริดได้อย่างนี้แล้วมันก็รีบเร่งทําความดีเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเพราะว่าถ้าไม่ทําบุญกุศลไม่สั่งสมบุญกุศลแล้ว ตนก็จะตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์อย่างนี้ล่ำไปยิ่งที่บุคคลไม่มีปัญญาที่จะมรระบาปกรรมความชั่วต่างๆได้อย่างนี้นะอันนั้นมันยิ่งเป็นทุกข์หลายชีวิตนะถ้าผู้ใดคิดได้ละบาปอากุศลต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นั่นได้จริงๆได้อย่างนี้ ความทุกข์อันหยาบๆนั้นมันก็เบาลงฮะนนี่มันก็เหลือแต่ความทุกข์อย่างกลางหรืออย่างละเอียดไปเนีมันเป็นการดับทุกข์นี่นะมันดับเป็นขั้นๆไปอย่างนี้ต้องให้เข้าใจเราจะไปดับพรวดพราดทีเดียวให้มันหมดไปเลยเนะี่ยมันไม่ได้เพราะว่าการดับทุกข์มันต้องดับด้วยบุญญาบรารมี ถ้าบุญไม่มีกำลังแก่กล้าพอมันก็ดับทุกข์ไม่ได้เหมือนอย่างน้ำนี่ถ้าไม่มากกว่าไฟแล้วก็ดับไฟไม่ได้ไฟก็ไม่ดับอันนี้ก็เช่นนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อผูดด้ใดรู้อย่างนี้แล้วท่านจึงสั่งสมบุญกุศลทำความดีให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เพื่อจะให้บุญบา ร, รมีนะั้นมันแก่กล้ามันมากกว่ากิเลสตัณหาอันมีอยู่ในหัวใจ เนี่ยเมื่อบุญบา ร, รมีมันมากกว่ากิเลสตัณหาอันมีอยู่ในจิตใจนี่แล้วบุญบา ร, รมีเหล่านี้มันก็ขจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี้ไปได้เลยอ่มันเป็นอย่างนั้นถ้ากําลังไม่เหนือกว่ากิเลสแล้วไม่มีทางกําจัดไม่ได้เหมือนอย่างยายานี่ถ้าไม่มีประสิทธิภาพเหนือโรคแล้วก็โรคในกายของคูนั้นก็ระงับไม่ได้ รับประทานเข้าไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะคุณภาพของยามันไม่เหนือโรคอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นขอให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจความหมายแห่งการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างนี้อย่าไปเพียงแต่ว่าทำบุญกุศลขอให้ได้ไปสวรรค์หรือว่าทำบุญให้ทานขอให้รวย ขอให้ค้าขายร่ำรวยอย่าไปเพียงมุ่งหวังแต่เพียงแค่นั้นการทำบุญกุศลนะถ้าไปมุ่งเพียงแค่นั้นหนึ่งแล้วมันมีผลน้อยเต็มทีมันมันไม่สามารถที่จะให้พ้นทุก์ไปได้ถ้าเราทำบุญกุศลมุ่งที่จะ เอากุศลผลบุญนี่เป็นกำลังขับไล่กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ออกจากจิตใจนี่ไปถ้ามุ้งอย่างนี้นะถูกต้องเลยอือขอให้เข้าใจกันให้แน่แน่เลยก็เมื่อกิเลสบาปธรรมมันเบาบางออกไปจากจิตใจแล้วผลพลอยได้มันเกิดขึ้นมาเองเนี่ยมันถ้าเป็นไปเองมันมันเป็นอย่างนั้น ไม่ต้องไปปรารถนามันก็มันก็เป็นมันก็มีมันก็เกิดขึ้นให้ออมันจเกิดขึ้นเช่นอย่างบุคคลให้ทานอย่างนี้นะเอาให้ไปนึกว่ามันมีประโยชน์แก่ผู้รับแล้วก็ให้ไปเลยไม่ต้องปรารถนาอะไรเลยเมื่อผลมันปรากฏขึ้นให้ข้าวให้น้ำเป็นทานอย่างนี้เอาเกิดไปชาติใดพบใดก็ไม่อดข้าวไม่อดน้ำ แล้วก็มกีมีร่างกายแข็งแรงอันนี้สงแห่งการให้ทานข้าวน้ำไม่ต้องปรารถนามันก็เป็นได้บุญนั่นแหละตกแต่งให้เป็นงนั้น <c oughs> ผู้ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะไม่ทำให้ใครเจ็บปวดทุกขเวทนา อทนทุกข์ทรมานด้วยการทุบ ก, การตีการตัดอาหาร ต, ต่างๆหมดนี่ไม่เคยได้เบียดเบียนสัตว์จําพวกใดเลยอย่างนี้เกิดไปชาติใดพบใดคนผู้นั้นก็ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีสุขภาพอนามัยดีออไอคนที่มีโรคภัยเบียดเบียนอย่างรุนแรงรักษาอย่างไงก็ไม่หายอย่างนี้ นั่นแหละแต่ชาติก่อนมันได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนต่างๆกรรมันนั้นมันก็ติดตามมาตกแต่งให้แน่นี่นี่สําคัญนะการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เราต้องรู้อย่างนี้ถ้าผู้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเลยนี้ออกลัวกรรมเวน้นะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างว่านั่นนี่ มันก็ไม่แล้วไม่เบียดเบียนบุคคลใดจำพวกสัตว์จำพวกใดให้อภัยไปเรื่อยๆไปเป็นอย่างนั้น <c oughs> ผู้ใดขยันไหวพระภาวนาตื่นตัวอยู่เสมอเพราะการภาวนานี่มันเป็นการรวมจิตอยู่ภายในแล้วจิตจะมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้ เมื่อมาเห็นร่างกายอันนี้ไม่เที่ยงไม่ยังยืนไว้ใจไม่ได้เลยนี่มันก็ตื่นตัวไม่หลงยึดหลงสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนจริงจังอะไรเลยมันก็เห็นว่าเป็นแต่เพียงาธาตุสี่ดินน้ําไฟลมประชุมกันอยู่แล้วจิตนี่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองอืมไม่ใช่ว่าเราจะได้อาศัยร่างกายอันนี้ตลอดไป นี่มันตื่นตัวอย่างนี้แล้วการภาวนาทำใจให้สงบทำปัญญาให้เกิดมองเห็นสภาพของสังขารร่างกายตามเป็นจริงอย่างว่านี่มันก็ไม่หลงไม่เมาไม่เพลินกับร่างกายอันนี้แล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจกับความวิบัติของร่างกายอันนี้เพราะมองเห็นกฎธรรมดามันมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เวลามันปกติสบายก็ไม่เพลินไม่เมาเวลามันวิบัติขัดข้องเก็บไขได้ป่วยลงไปก็ไม่เศร้าโศกเสียใจแล้วก็ไม่กลัวตายเพราะมันภาวนาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีคนตายนะมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนะี่หรือขันห้านี่ยมันแตกแยกออกจากกันเท่านั้นเอง เมื่อมันหมดเหตุหมดปัจจัยมาแล้วมันก็แตกแยกออกจากกันไปเท่านั้นเองไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายนั่นการที่เราหมั่นภาวนาไหว้พระอย่างว่านี่นะมันทําให้รู้ตัวได้หายหลงหายเมาในชีวิตนี้หายโศกเศร้าเสียใจหายความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย ไปได้จริงๆดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้